ปูพันในการกระการดูการทําการฟังนี้โดยหลักธรรมชั้นลึกแล้วก็ถือว่า เ, เป็นกรรมนั้นเป็นการกระทํามุ่งกระทำํำนั้นวิญญาณก็มีที่เกิดครับออวิญญาณไปรู้อะไรเข้ามันก็ติดสิ่งที่มันรู้ทันจีเนี่ยนียนยนย่มีก่อกรรมขึ้นมาแล้วสุขภาพในความหมายที่ลุ่มลึกนี้ผมคิดว่าเราต้องพิจารณาจากดูงจิตที่อิสระแก็ บ, บางวันนี่นะครับ กี่สิบปีที่แล้วผมได้ถูกถามจากชาวประมงคนหนึ่งนะฮะเหตุที่เขาต้องมาถามผมตั้งเป็นนักบวชอยู่ของพุทธผมถามเขาทำไมป็นมาถามผมถามผมเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาไปถามอิห ม, ม่ามเขถูกไล่เพื่อโดยฉากแกก็ถามผมด้วยใจคำซึ่งแปลกมากครับถามจากประสบการณ์ <ผม S 1> จริงไม่ใช่ไม่ใช่อวดภูมิรู้นะบอกว่า ผมผมเป็นชาวประมงแล้วผมแปลกใจมากว่าบางวันเนี่ยผมรู้สึกทะเลเนี่ยไหมเอียงเช่หมเรือที่ผมแล่นในทะเลเนี่ไม่เอียมขึ้นมาแล้วก็บางวันน้ำเกา่าท่ำ า, าแต่ผมเองได้ตอบว่านันเป็นเรื่องภายในจิตใจของเราด้วยครับโลกธรรมชาติที่แท้จริงเนื้อความบริสุทธิ์ของสภาวะธรรมนี้มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันแต่เราเห็นภายใต้วิบากกรรมของเรา นั้นพอเราหันไปดูแสงแดดเราข้างในเราภาคทันทีแสงแดดโอ้สวยจริงดังนั้นความสวยที่ปราดกฏดวงจิตรับรู้มันเป็นฝ้าแล้วอดังนั้นการที่เห็นตัวสภาวะดั้งเดิมจริงนนแนบเน้นของแหน่สิ่งที่ดูกับสิ่งที่ถูกดูนี่เลือนลางจางหายกัดยกนดังนั้นไม่สามารถสร้างแม้แต่ถ้อยคำว่า ม, มันสวยหรือไม่สวย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 เขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็ยืนอยู่ข้างหน้าเขาเยแต่ว่าแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงพัฒนาการครับดังนั้นสุนทรียภาพที่ว่านี้เ่ไม่ใช่สิ่งที่จะพร่ำสอนกันได้สิ่งที่ต้องทำก็คือการเจริญวิปัสนาเมื่อเจริญวิปัสนาแล้วไม่ว่าแบบของวินดูของคลามที่เจิงทางตัวน อ, อกมีรากล่มมนนม่มันนะแต่ของพุทธมันมันแปลกยักเยือเ้องไปนะ ไม่ใช่สุนทรียภาพในพราะผู้สร้างแต่ถ้าเป็นของพูทธเนี่ยสุนทรียภาพไมอยเรศรซึ่งเข้าจะยากมากครับในความทุกข์ยากในความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เองดวงจิตยังผ่องแพ้วประพัดสอนนะปกติพอกายเราเจ็บเราก็เศร้าหมองจิตก็เศร้านะห่อเหี่วหรือแม้แต่ถูกโกงเงนะินในบาทเดียวนะจิตสับสนมาแนละ้วบาทเดียวเนะี่ยความโลภเงินบาทกับสิบล้านนะี่เท่ากันครับ แต่โลกร้อนเท่ากันเลยสับสนมาในดวงจิตดังนั้นสุนทรภาพก็ไม่ปรากฏสุนทรภาพผมคิดว่าเป็นสิ่งรื่นรมเมื่อจะตายก็รื่นรมนะลองเทียบอันนี้ดูผมอาจจะไม่ไม่ไม่เข้าเรื่องโดยตรงนะสมมตินคนหนึ่งมีฤทธิ์มีเดชเมื่อถึงคราวจะตายเนี่ยต่อสู้ด้วยฤทธิ์ด้วยเดชกับไปคนหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงคราวตายก็คือตายไม่ยอมทําอะไรเลยเนี่ยคนเนี้ผมคิดว่าเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาชั้นสูง เมื่อถึงคราวจะต้องตายนะครับผมไม่ไดหมายค่าตัวตายนะก็ยินดีตายสมัครที่จะตายหรือถ้าคำที่มหาธทรากันดีใช้ก็พออนุมานลงได้อนุลงลงไดนะ้ยากจนด้วยความสมัครใจนะยากจนด้วยความสมัครใจมันมีสุนทียภาพอยู่ในนั้นไม่มากก็น้อยคือรื่นรมที่ตัวเองต้องถูกทอดทิ้งแต่ก็เราไม่ยอไว้ว่าเลยนะเพราะว่าลองหังเขินจาด ปฏิทัดในเรื่องของบารมีคันตีบารมีอธิษฐานบารมีเรื่องบารมีสิ่งนี่มเป็นเรื่องใหญ่มากที่มาลางเรือนมาจากแผ่นดินนี้นะฮะแผ่นดินนึงเคยมีชีวิตยอยู่เพื่อสังสมบารมีให้ถึงที่สุดทุกทากิจการงานเลี้ยงลูกก็เพื่อเสริมสร้างบารมีนะทุกสิ่งอย่างครับสุนทรียภาพวันนี้สำคัญตาบอดหูหนวกไ็่ใไงความงดงามชีวิตยังอยู่กับเราได้นะฮะ ผมไม่ได้ตอบคำถามเลยครับผมตอบไม่ได้จริงเลยแล้วก็ก็สำนึกรู้จาร์แลครับอยู่หลายประเด็นที่ว่าสิ่งมีอยู่ที่บเป็นอาการก็ผมก็เห็นเลยว่าแม้ในพระศาสนานั่นเองที่บอกว่าเราว่าสิ่งมีอยู่คือรูปจิตสิสิทธิ์และนิพพานอะไรก็แล้วแต่ท่านพูดแตบเดพียงแต่ลักษณ ะ, ะมีแต่มีแต่ลักษณะอาการเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะลักษณะความอ่อนแข็งเรียกว่าธาตุดินท่านก็บอกว่าเป็นลักษณะ ลักษณะอันนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานส่วนอาการนั้นเป็นอัลลักษณะการลักษณะการอาการในส่วนหนึ่งของลักษณะประเด็นหนึ่งและที่ท่อาจารย์ได้อธิบายถึงความสมดุลภาพในเรื่องของความอิสระนั้นถูต้องกับความที่ผมเหอยู่ที่ว่าตราบใดท้่เราดูความสมุลภาพจะเกิดขึ้นในทางวัศุนาก็ต่อเมื่อความอิสระก็คืออิสระจากตัณหาอ่ากิเลสนั่นเองการมองสมดุลภาพก็เกิดเกิดด้วยปัญญาเช่นก็ตผมมองสมดุลภาพในขณะจิตของผมเนี่ยก็จิตนั้นประกอบไปกิเลสก็ดี สุศก็ดีอกุศลก็ดีถึงทีไม่ทําไม่ใช่ทําิ่งเป็นกุศลอกุศลก็ดีเนี่ยมันเป็นสูนท์คยภาพของธรรมชาติที่สร้างตงแต่งขึ้นมาอย่างมีหลักมีการมีปฏิาการแม้แต่สายปฏิจฏจสมุติบาทซึ่งผมถือว่าเป็นสายพันธุ์แห่งความเวลวร้ายของขันนะครับแต่เราก็เห็นความศูนย์คุภาพของเขานะครับอันนี้เองเนี่ยศูนย์คุภาพในลักษณะก็น่าจะเป็นปัญญาวิทยปัญญาที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างที่อาจารย์ดูนะครับ มันเกิดจากการาการพัฒนาการของทฤษฎีปัญญาที่เรามองเห็นตามความจริงของธรรมชาติโดยตรงความจริงที่เราเห็นโดยธรรมชาติที่เป็นของมันจริงๆงนี้เป็นสูนรคียภาพที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจ้วยว่าเรามองเห็นตามความจริงไม่ว่ามันจะดีหรือเลวว่าต่างเราเห็นธรรมชาติอันสวยงามเหล่านี้เพียงแต่ว่าเราจะหาสาระประโยชน์อย่างไรที่จะก้าวถึงจุดประสงค์ของเรานะครับก็คุควบคุมครับเอบ่อ เป็นห่วงอย่างนึ้งท่นที่อาจารย์พุทธทาสอ่อนลงแล้วไปรวมไปแล้วนี่นนคาสอนของอาจารย์นะใครจะเป็นผู้สืบทอดแล้วกออ็อาจารย์เคยคิดหรือเปล่าว่าที่ทางพุทธทาส อาจารย์พุทธทาน่ะมีสูน ส, สริชยียภาพนะอันนะี้นเกิดจากอะไระเพราะว่าอาจารย์พุทธทาน่ะท่านก็ยอยู่ในพระพุทธศานสนาฝ่ายเทววัตแล้วก็นำคำสองต่างซึ่งเป็นของมหาญาณเป็นจานวนมากผมเรียก ว, ว่าเก้านสะิบปอร์เซนแล้วก็ ท่านก็นไม่ยอมเปลืปล้ลในการที่ว่าคําสอนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในลักษณะของปลายมหายาญเออเอ่ออาจารย์เคยทุดบ้างหรือเล่าว่าพ่อหนี้ไดอาจารย์พุทธทาสจึงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงเพราะว่าความจริงเท่านั้นเองนะที่จะไปสู่สูงเทียภาพ ที่มั่นคงเพราะว่าทุกคนต้องมีศูนย์เฉรียภาพในตัวของเราเองตลอดเวลาเพราะในชีวิตของเราจะได้ไดม่เกิดมลเสียเปล่าอาจารย์เสียเป็นยัรับครั บ, รบในช่วงต้นของตัวผมเองที่เข้าไปเกี่ยวพันกับาศาสนธรรมนะผมมองท่านอาจารย์เป็นพระภิกษุ แต่ที่ช่วงปลายนี่ผมผมมองไม่เห็นจีวรในตัวท่านเลยครับคือเรางจุดที่สำคัญนะยครับว่ามหายานเทววาตบวชจีวรหรือไม่มีจีวรโกนหัวหรือไม่โกนหัวเนะไอ้นี้เป็นวัฒนธรรมนะไ้รูปแบบทางวัฒนธรรมจริงอยู่นะภายใต้คืึองแบบท่านอาจารย์ก็แสดงธรรม เพื่อเสริมสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมของชาวพุทธเห็นในชาติท่านเป็นผู้นักอนุรักษ์ทีเดียวหยิบหัวข้อธรรมะในพระไตรปิฎกวาจารณัยเจียรณัยให้คมคายขึ้นเพื่อให้เอามาใช้งานได้ก่อนหน้านี้มันจะขังไว้ในไตรปิฎกนะฮะบางทีเราไม่รู้ในสาวมันใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้นะเราเรียนพระวินัยก็ดีพระประมาจารก็ดีอะไรนี้เพื่อเป็นเครื่องประดับประดา แต่เราไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้ในการแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนรวมส่วนสังคมนะนั่นบทบาทของท่านนะฉะนั้นมุมแง่มุมหนึ่งคือความเป็นปราดที่แฝงอยู่ในตัวนะองค์พระเจ้าท่านประนามพระภิกษุที่ชอบคุยเรื่องเดรัฉานกถานนะฮะแต่ทำไมพระเจ้าถึงเล่าเรื่องอคันยสูตรเนะี่ยเล่าตั้งแต่การสร้างโลกสร้างชุมชนซึ่งเร า, เราไม่เราไม่ถื อ, อนนี้เป็นเดรัชานกถา แต่เป็นการโยงก้าสู่รากเหง้าที่มาของอดีตช่วงหลังนั้นผมมองท่านอาจารย์เป็นผู้รู้ผมไม่ได้ดูที่จีวนถ้าท่านจะลุกขึ้นสัดท่ามาโนโลาผมดูนี่ผมเับาได้แล้วท่านก็นทำด้วยนะครับเพราะว่าเราศึกษาผมเองใส่ใจในศรริลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นบรฐวาลของพุทธศาสนาวนะ่าศิลปะรูปแบบศรริลปวัฒธ ร, รมล่านี้ ก่อเกิดภายใต้ร่มโพของพุทธศาสนาและเกิดขึ้นเพื่อ บ, บรรลุศาสนาทั้งนั้นเลยนะครับไมภวาวิชาช่างอันใดดังนั้นคราวหนึ่งท่านอาจารย์พิเคราะห์ถึงเรื่องภาพหินสลักที่มีตัวปรญยาหน้าฟ้อนนำหน้ากระบวนเสด็จขอ ง, ของอามายาเทวีสู่เทวธาตุท่านนี้ท่านบอกว่าท่าลำของวนโนราท่านถามาว่าคุณลำไปหรือเปล่า ผมก็เห็นนะ่าก็เลยศรัทธาอยู่เออดังนั้นแต่ผมผมสัมผัสสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกที่ตื่นตาตื่นใจนันข้อที่หนึ่งนะฮะที่จะให้เห็นว่ามุมมองที่เรามองนั้นตัวเรานัได้จำกัดมาลงหรือเราเปิดกว้างที่เห็นว่าท่านเป็นปลาท่านไม่ใช่เพียงนักบวชเท่านั้นครนี่เป็นสิ่งสำคัญมากการที่สองที่ว่าจริงหรือไม่ที่ท่านอาจารย์ไม่ยอมรับ าตัวเองได้ศึกษาผ่านมหายาณนะข้อนี้เนื่องกับข้อแรกความเป็นปราดไม่อาจจับตัวเองเป็นมหายาณนิยานยไ ด, ได้ปราดแท้ก็ไม่อาจจัเป็นไทยหรือไม่ใช่ไทยได้ไม่อาจที่เป็นพระหรือไม่ใช่พระได้ปราดแท้ไม่จำกัดอยู่ภายใต้ชาติชั้นวรรณะทั้งสิ้นแต่ก็จริงในแง่ที่ว่าท่านศึกษาผ่านตํารามหายาน แล้วรู้ว่าในมหายานมีหินยานในหินยานมีมหายานแล้วทั้งภาษาันขึ้นมาเจะเรื่องสุญยตาครับในสุดเวลาเทศนาท่านคัดขึ้นมาจากกุฏิวิดกฝ่ายเทยวว่าแต่โดยการเร่งเร้าของมหายานนั้นทั้งมหายาณและหินยานได้ประจบกันที่นั่นยาณทั้งสองเหมือนผลไม้สูกผากซีกครับถ้าเราได้เพียงซีกเดียวเราจินตนาการหนภาพรวมทั้งหมดไม่ได้จนกว่าเราอีกสิ่งหนึ่งประกอบเข้าว เราจะเห็นมิติที่ลึกและกว้างของพุทธศาสนาะเทระวาสแคบลงนะฮะเป็นที่ยอมรับเช่นฐานการภาวนานี่แคบคนที่ต้องบวชโกนหัวเท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้และพระอาจาร์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างที่เบีนะฮะมีพระลามะที่ไม่มีลูกไม่มีเมียนะลามะที่มีลูก ม, มีเมียนะโยคีที่ไม่มีลูกไม่มนะีเมียโยคีฐานทุกฐานได้รับการรับรองทัดเทียมกันหมด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 พุทธศาสนานั้นไม่ไม่ใช่ลทัทธิมุ่งกำจัดลทัทธิอื่นแต่พุทธศาสนามุ่งที่อยู่ร่วมกับลัทธิอื่นอย่างสันติแล้วพิสูจน์ถึงเนื้อหาที่แท้จรงิงพุทธศาสนาได้ยื น, นยันสิ่งนี้มันตลอดในห่วงกรดศาสต์ที่แล้วมานะไม่เคยมีการลุกลานเลยแต่ว่าใครที่เข้ามาแนะอย่างผมเคยถามบาทหลวงนิดหนึ่งว่าผมอ่านไบเบิลนะครับศรัทธาในคําสอนของเยซูเทศนาของเขาบอกเทศผมเป็นคลิปได้ไหมเก็บอกไม่ได้ผมบอกถ้า คุณปฏิบัติภาวนาของผุ้เจ้าเนี่ยคุณเป็นได้ทันทีหรือคุณจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นได้ทั้งนั้นคำตอบผมต่อประเด็นนี้นะฮะก็คือพัฒนาการในตัวท่านอาจารย์นั้นจากพระภิกษุเงื่ออินทปัญโยกุกอวอดัดตั้งส่วนโมกพล า, ามีภุมรเรียงด้วยแรงผลักดันทางสังคมและดวดยช่วงชิงชัยความรุ่นนำระดมบัญญาเนื่องจาก การถ่โอนอำนาจรัฐในช่วงปี75นะฮะท่านอาจารย์ต้องพึ่งตัวเองในทุกมิตีทางเข้าใจไหมครับก็อำนาจรัฐธ์คืออยู่ในกํามือของพรรษาสอ์มาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วอยู่ดีๆมาโอนไปอยู่ในมือของใครก็ไม่รู้ที่เราเรียกคณะราษฎรนะฮะก็กระทบสําหรับนักเรียนนอกกุ๊คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงกับปกครองไม่สู้กันเลยแต่คนในนะฮะดังนั้นการพรึ่งตัวเองดังนั้นเป็นช่วงชิงชัยภูมิบรรยานะท่านอาจารย์ก็พึง่งประบิดยกอ่าน กว้างไปสู่ฮินดูท่านบอกนะอันก้นคว้ากว้างไปสู่แม้แต่เซนพูดได้ว่าพุทธศาสนาในกายเซนนะครับ mm. ถูกนําเสนออย่างเป็นระบบโดยท่านอาจารย์ครับก mm. ่ mm. อนหน้า mm. นั้นเซนก็เรื่องเล่านิทานกันนะ mm. อาจารย์ถีบสิทธ์อย่างรุนแรงแล้วก็สว่างสวยขึ้นแต่ท่านอาจารย์ mm. ท่านได้เล่นอย่างนั้นครับ mm. ท่านแปลคําสอนของเวฬหงวงโปอย่างเป็นระบบ mm. นั่นคือการเคารพต่อมหายานอย่างลึกซึ้ง ถ้าไม่ครบก็แปลลูกลวกอะนะเหมือนที่เรามาเล่ากันเรื่องชาติถีบศิษย์อั น, นี้เราเราไม่ได้เราไม่ใช่บูชาหนทางกันนั้นดันนขงข้อกหาที่คุณไปหัวว่านะคผมแก้แล้วครับว่าวิสัยอย่างปราดนั้นพ้นหินนิยามหรือมหายาณพ้นชาติชั้นวันนะั้แต่พร้อมๆกันั้นก็ไม่ใช่ว่าไปทําลายไอย้ลากเง้าของหินนิยามมหายาะแต่ถ้าดูให้ดีๆคาสอนท่านเนี่ยเป็นทั้งสองอย่างถูกประมวลมา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 เกิดความคิดว่าพระพุทธศาสนาที่เป็นนิ่งขัึขเงเราล่มโพล้มใส่มาหลายพันปีนี้บทบาทจู่จางไปหรืออย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะผมอาจจะกล้าจะปิดก็ได้สังเกตดูคนรุ่นใหม่นี่จริงจังขึ้นศึกษาขึ้นฝ่ายรู้ขึ้นนะครับพุทธศาสนาที่อยู่ภายใต้ท่าทีของวัฒนธรรมนั้นเฉยนิ่งตั้งนานแลนน้วนะฮะช่วงวัาทําเฉยนิ่งนั่นเอง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 พระภิกษุสงครั้งอดีตมีความเคารพต่อพุทธเนีเมื่อจะเทศนาธรร ม, ร ม, มาก็ตั้งนิเคปบทพระภาสิทธ์แล้วบอกว่าพัะธรรภาพจะาวิสัชนาพระพุทธภาสิทธ์ของพระผู้มีพระพเจ้าคื อ, ค อ, ค อ, คอไม่กล้าตัวเองก็ไปแต่แต่ท่าอาจารย์ท่านท่า น, านตีความและเป็นการตีไม่ใช่ตีได้ดีเอานะตีอย่างมีหลักยังมีที่มาที่อิงและมหายานเป็นที่อ้างองิงอันหนึ่ง เวลาไม่มไมนะครับในเรื่องที่ท่านอาจารย์เบงมืองนั่นนะผมก็แทบความเป็นปรัชญาขท่านอาจารย์ผมขอสมหวัไว้ก่อนพักธรรมดาผมเพิได้รู้จากอาจารย์ที่ละ่าที่เดียเด๋ยวผมก็จะไปนะครับไปทงบุญแล้วที่ท่านเป็นเต้าตอนเต็งเต๊ะอะไรแบที่แสงเจ้านะครับท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ร่วงหลังท่านอาจารย์พระท่านเล่าอะไรให้ได้ฟังมากท่านพุะท่านได้อาศัยท่านผู้นี้ซึ่งคล้ายกับอาจารย์นะครับรูปร่างแล้วก็แล้วก็ไว้หนุนสาเหมือนกับอยู่กับกลองนั่นนะฮะเสียงใหญ่แล้วก็ เป็นผู้ที่เข้าใจเอ้มีคำพี่เกี่ยวกับมหายอ่างมากซึ่งเขาต้อบอกว่าอาจารย์ลิทธาได้อาศัยท่นมากแต่ด้คําต่างๆก้อนจริงเนี่ยเป็นการพัฒนานของอาจารย์ลิทธิที่ท่านมีความเฉลียวฉลาดมีสิติปัญญาสวยทุกท่อที่จะมองแนวทางาต่างๆแล้วมาไปยกอย่างที่อาจารย์กล่าวนะครับก็อาศัยความว่าท่านผู้กล้าคิดกล้าทำกล้าพูดอย่างหนึ่งนะครับความจริงของมหายานเนี่ยควรจะพัฒนาการมาจากเหตุรวายังกรณียั ง, ยางทานเซนเลี้ยวชาล้มเทวิเนี่ย ควาจริงนะี่มันมีอยู่ในความเปเทรวาคือผู้เจ้านั้นตัดกับพิฆ า, าตลขะเึ่งพิฆาตลจากขุนก็ะตา่ายว่าทิธิใดๆไม่สมคนแก่พระชาผิดทั้งนั้นแต่ไม่ด้วยพิธีของตัวเองมันถูกพระเจ้าจึงเห็นว่าการเข้าถึงด้วยทิธินั้นน่ะไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อกำธรรวีวว่วาจึงเห็นว่าพิฆาตลขะนั้นเปรียบเหมือนน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยน้ําที่เป็นพิษพวกซึ่งต้องการที่เติมน้ำลงในน้ําเต้าอีกยังไม่พร้อมที่จะเติมน้มํำน้ำอมฤตประธรรมหรือน้ําน้ําหวานน้ํา มันเพิ่งอะไรไม่ไเติมไปซึ่งเก่าไว้ในนั้นมันมีจำนวนมากในทางเศษที่อาศัยคณทีนิพถติละว่ามันใช้เป็นจํานวนมากที่เราไม่ทราบกันเดียวนะคมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งนีทั้งนั้นความแตกต่างไมถ้าถามว่าเป็นพุทธไม่เป็นพุทธเดียกันแต่ความแตกต่างนั้นอยู่ที่วิธีวิธีในการอธิบายและการเอาผลและเอาเหตุมาพูดหรือเอาผลมาพูดมันมันแตกต่างกันวิธีวิธีต่างๆั้นั้นนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะไปกันได้อย่างที่อาจารย์พูดว่า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 ตรงเห็นตรงอย่างนั้นที่เทร ว, ว่าก็ว่าเห็นตรงเห็นตรงนั่นแหละฮะส่วนทางนั้นนั่นก็ใช้อสิทิสติปัญญาของตัวเองทีตต่ตีความลงไปมันก็เป็นการบุกเบิกความคิดที่ในฐานะที่โลกปัจจุบันผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็เห็นว่ามองภาพรวมรวมก็ไปไปกันได้นะคะ ร, นนรับขอบคุณครับยังพูดอนิดเดียวนะฮะตอนนี้คุณต้องว่าไม่ว่าจะเป็นหาญาหรืออินนยานหรือแม้ในค่ายเดียวกันไม่ว่าสำนักไหนนะครับ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 ไม่มีเลยครับคำว่าอินยาหรือมหายานไม่มีเวกรรมพุทธญาณก็ไม่มีครับเพียงพระเจ้าท่านสกิตสเกานึกถึงไอ้ตอนที่ท่านสับสู้และถูกอาราธนาให้สอนนะฮะที่พรมมาอาราธนาท่านถือเอาว่ามนุษย์ที่มีทุลีดวงตามีทุลีในดวงตาแต่น้อยกรณีปริมปริมอยู่แล้วทําท่าจะรู้ทําท่าจะไม่รู้นะดังนั้นไอ้เงื่อนไขที่สําคัญไม่ได้อยู่ตรงวัฒนธรรม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 ในสุดพระพุทธเจ้าท่านทำหมดแล้วต่อมาท่านอุทานคำว่าสตีเวเกสมาลเกสรเมฆเนี่ท่านต้องเทียวหมดแล้วท่านชิมลิ้นภูมินั้นหมดแล้วแล้วท่านก็นชี้ทางออกทางออกที่เกิดขึ้นซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะฮะแต่ว่าการพัฒนาสติปัญญาให้เห็นลู่ทางที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเรายังไม่ได้พัฒนามันเพราะฉะนั้นความสลักสําคัญไม่ได้อยู่ที่ยานไม่ได้อยู่ที่แม้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยบางทีอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรองค์ลิมานะ หรือกรณีที่ยืนภาคีเล้วให้พระจุบันรโกไม่มีแม้แต่คําสอนด้วยครับมนุษย์สําคัญครับปัจเจกสําคัญมากเพราะเป็นกุญแจที่ไขเข้าสู่ความเป็สากลได้ความเปสากลนั้นพ้นหินยานมหายาณแล้วครับผมคิดอย่างนี้จิตใจที่รู้แจ้งเห็นจริงคนระับคงไม่ติดยึดอยู่นะว่าข้าเป็นมหายาณนะอย่ามายุ่งกับข้าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมผมสันนิษฐานแล้วนะครับ ก็คงขอจบเท่านี้นะครับสุขภาพด <avez> ีนะครับค <ver> ุณเป็นใจด้วยครับดีไหมฮะค่อยๆค่อย